มีตัวลอะไ ร, รป่ะไม่มีตัวอะไรอ๋อมีตัวลอะไ ร, ร, ะไ ร, รป่ะมีคําถามแล้วป่ะค่ะอาจารย์หนูจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในกรณีที่มีสถานการณ์ที่เราคิดว่ามองแล้วว่าถ้าเราเข้าไปตรงจุดนั้นหรือว่าเข้าไป อ, อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งปัญหาในกระทบทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยถ้าเกิดว่าเราสามารถเลี่ยงได้เราก็ควรจะเลี่ยงแต่ว่าคือหนูไม่แน่ใจว่ามากน้อยแค่ไหนถึงจะเป็นการเลี่ยงที่เหมาะสมหรือว่าจะเป็นการหนีปัญหาเขาพระาจาคือถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็เกี่ยวข้องด้วยการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ใช้หลักการรองดองการยินยอมอยอมแพ้พูกอย่างเงาต้องการอะไรใครต้องการอะไร ให้ได้ก็ให้ไปที่ว่าเป็นการทำฐานไปคือไม่ต้องการอะไรจากใครยามยินยินยินดีเสียผลประโยชน์ต่างๆเพื่อความสงบเพื่อการไม่มีเรื่องมีราวกันเราต้องอใช้หลักว่าผลที่เราต้องการก็คือ ความสงบสันติสันติภาพที่บวกเราอเรียกร้องเรียกสันติภาพกันแต่เราไม่ยอมเสียสละกันทุกคนต้องการที่จะเอาชนะกันมันก็เลยไม่มีวันที่จะมีสันติภาพแต่ถ้าเรายอมมันก็จะเกิดสันติภาพขึ้น ่การที่เราจะยอมนี่เราต้องมีปัญญาเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เรายอมนั้นนะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องยอมอยู่ดีเช่นชีวิตเราเนี่ยไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายอยู่ดีผลประโยชน์ต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเสียอยู่ดีมันต้องหมดอยู่ดี ถ้าเสียมันเพื่อให้เราอยู่กันอย่างน้อมเย็นเป็นสุไม่ดีกว่าที่ได้มันมาแล้วอยู่กันแบบฆ่าฟันกันโกรเกียดกันอาฆาตพยาบาทกันเนีนะ่คนที่มีกิเลตมักจะบอกว่าถ้าเรายอมเขาเราก็เราก็เสียไปเราก็แพ้เขาเขาก็ได้ประโยชน์เขาได้กาไร แต่เราไม่คิดว่าถ้ า, าไม่ยอมก็ต้องสู้กันแล้วก็ต้องมีการมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายมากน้อยก็แล้วแต่ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าอย่างสมัยที่รัชกาลที่ห้าท่านก็มีปัญหาพิพาท กับฝรั่งเศสกับอังกฤษท่านก็ยอมแต่ละส่วนย่อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราต้องการดินแดนก็ให้เขาไปเมื่อเขาให้แล้วเขาก็ไม่มาทำสงครามกับเราถ้าเราไม่ยอมทำสงครามเขาเราก็แพ้เขาอยู่ดีเขาก็เขาก็เอาทั้งประเทศ ถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างมันต้องจบคนชนะก็ตายคนแพ้ก็ตายระหว่างที่ยังไม่ตายไม่อยู่กันอย่างสมงบไม่ได้ตายคิดว่ามันเป็นกรรมของเราที่จะต้องเกิดมาเล่นเป็นผู้แพ้ตลอดแพ้เป็นพระคนะเป็นนาย งามเสียงามเสียประโยชน์าเรียกร้องอะไรเท่าไหร่ให้เขาได้ก็ให้เขาไป่พื่อที่จะได้หมดปัญหากันไปอพอจะเข้าใจไหมแล้วถ้าในกรณีถ้าเกิดเราลองพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งถ้าเกิดสิ่งที่เราให้จะให้เขาไปนันเป็นการผิดเป็นสิ่งที่ผิด เขาก็จะมันต้องไม่พอใจแน่ๆถ้าเราไม่ให้เราคุณจะวางใจยังไงก็วางใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะนะอย่างมากก็แค่ตายมันทุกอย่างมันก็ไปจบที่ผ่านตาถ้าเรายอมตายแล้วเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปอเอาไปได้ก็เอาไป เรายังสามารถรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปให้ปล่อยทุกอย่างลาบยศฉสเสิญจบชีวิตพระเจ้าบอกให้ฉลาดทุกอย่างฉลาดทรัพยรักษาอวัยวะท้าย้องฉลาดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ในสระชีวิตจะรักษาความสงบความสงบมีสาคัญกว่าทุกอย่างะความสงบไม่ตายไปกับชีวิตแต่เราไม่รู้กันถ้าเราตายด้วยความสงบเราก็อยู่สวรรค์อยู่นิพพานถ้าเราตายด้วยความเครียดแค้นด้วยความทุกข์แล้วก็ตายไปอยู่ที่อบาย เราไม่รู้ว่าเรามีที่ไปต่อหลังจากที่เราตายแล้วเราคิดว่าเรามีแค่นี้มีชีวิตนี้พอหมดชีวิตนี้แล้วเราก็หมดเราสูญเสียทุกอย่างไอ้ความสริงชีวิตนี้เป็นส่วนย่อยของสิ่งที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตก็คือควาสมสงบคือธรรมมันยังอยู่กับเรา ให้รักษาตัวนี้ดีกว่รักษาความสงบของใจอย่าไปให้ใจเครียดแท้งทรมานวุ่นวายเสียออกเสียใจทุกข์ทรมานไปกับเหการ์ต่างๆเพื่อที่ทุกข์ทรมานเพื่อที่จะรักษาสิ่งต่างๆที่เรารักษาไม่ได้อยู่ดี เ, เราไม่ช้าก็เร็วเราก็ ก็ต้องจากมันไปเราต้องจากทาัพยไปจากอวัยวะจากชีวิตจะจากแบบไหนดีจากแบบสงบนี้จา ก, จากแบบวุ่นวายความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือนกว่าความสุขทางปวงเหนือนกว่าความสุขจากการได้ลาบยศสารสได้รู้สิ่งศิลป์ เราไปเอาทำไมกับสิ่ง ต, ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบเลือส้นเลเส็งหรือความสดขทางตาหูจมูกเร่องสัเง า, ส า, า เ, อเอาควางสงบไม่ดีกว่าแต่ก็ไม่หนีไม่หนีไม่หนีหเหตุการณ์ถ้ามันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมาดาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็จะต้องมีไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเจอเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมาดาต้องมีคนเขาไม่ชอบเราเป็นธรรมาดาเหมือนถ้าอนุ น, น pinch, ชวนเทวตจา่าบอกว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยเขาไม่ชอบเราแล้วจะอยู่ไปทำไมาาเทวตจา่าก็บอกว่าถ้เธอไปที่อื่นเธอจะไม่เจอเรื่องอย่างนี้เลย ถ้าไปที่อื่นมันก็เหมือนอยู่ที่นี่ก็ไปทำไมก็อยู่กับมันใจทําใจให้เฉยๆไปใครจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปใครก็จะกั่นแกล้งจะทําอะไรก็ปล่อยว่าทํำไปเราก็อยู่ของเราไปเรามีมาตรการป้องกันป้องกันไปแก้ไขไปแต่เราจะไม่ตอบโต้เราจะไม่ไปทําร้ายใคร เขาจะทำร้ายเราเขาจะด่าดเราเราจะเฉยเราจะไม่ ด, าด่ากลับเราจะไม่ตอบโต้ไม่ทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดเองหรือว่ามันอาจจะเป็นวิบากของเราในอดีตชาติเราเคยไปทำร้ายผู้อื่นเคยไปกันแจ้งผู้อื่นไปไปเบียดเบียนผู้อื่นชานี้เลยต้องมา ก็ใช้กรรมที่ทำไปก็ดีที่ำไปอย่าไปสร้างกรรมให ม, ม่ดีเดี๋ยวพอกรรมเก่าไม่หมดแล้วมันก็ไม่มีกรรมไม่มีีมมิบากกรรมอันใหม่ถ้าเราไม่ไปทำบาปทำกรรมต่อถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราควรพูดควรทำแล้วก็พูดไปทำไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ได้ด้วยความ เครียดแข็งอาคาตกายบาดกดเกียรติทำไปตามหน้าที่ของเราที่เราต้องทำแต่ถ้าทำตามหน้าที่แล้วทำให้เกิดความเสียหายก็อาจจะไม่ทำก็ได้ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าอะไรที่จะมีความสำคัญก่บกันอะไรที่จะทำให้เกิดผล ผลอย่างไรถ้าทำแล้วเกิดผลคือความสงบก็ทำไปถ้าทำแล้วเกิดความวุ่นวายก็อย่าไปทำ<ม>ก็ต้องดูที่ผลคือความสงบเป็นหลัสันติสันติสุขเป็นหลักไม่ ว, ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครต้องดูตรงคำว่าสันติสุขแล้วเราจะเข้าใจความหมายว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาน การชนะผู้อื่นเป็นร้อยครั้งพันครั้งมันก็สู้ชนะใจเราไม่ได้ชนะตนเลยนะการชนะผู้อื่นก็จะทะให้ผู้อื่นเขาโกรธเกลียดเราแต่ถ้าชนะเราคือเราไม่ตอบโต้เรายอมแพ้เราหยุดเขาชนะให้เขาชนะไป เขาก็ดีใจเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะือได้ชัยชนะเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการนะเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเราก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบสุขฝ่ายเขาดา่าก็อยากจะด่าปลามารูถูกเหยียดหยามน ะ, ะ, ะไปเดี๋ยวพอเขาได้ระบายเสร็จแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็อยู่เขของอ คุณไม่เชื่อคนลองไปนั่งด่าต้นเสานี่เลยด่าไปครึ่งชงเดียวมันคุณก็เหนื่อยคุณก็หยุดด่าทำใจให้เป็นเหมือนต้นเสาเฉยๆแล้วจะด่าอะไรจะพูดอะไรก็พูดไปจะทำอะไรก็ถ้าหนีไม่ได้หลบไม่ได้ก็ป่อยก็ทำไปที่ท่านสอนใ ห, ให้คิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเรา ก็ให <stroke> <ier> ้ค <VA> ิดว <us> ่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราค่อยคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าแล้วก็ดีแล้วอยู่ไปก็เหนื่อยต้องหาทํามาหากินเลี้ยปากเลี้ยงท้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆคอยหลบเหตุหลบเหตุหลบภัยหลบเรื่องราวต่างๆตายแล้วก็ สบายไม่มีอะไรตามมนะตายแบบสมบนี้ตายมันมันตายแบบสบายไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่ได้ไปสู่ที่ไม่ดีไปสู่ที่ดีตายด้วยควาสมสงบนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานเรามองไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายเราก็เลยยึดติดกับสิ่งที่เรามีอยู่ จนจะทั่งทำให้สิ่งที่จะตามมาหลังจากที่เราตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเกิดใจของเรานี่แหละที่เป็นตัวที่จะเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเรานิ่งเราไม่ตอบโต้เราก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราตอบโต้ด้วยความโกรธเกลียดเที่ยงแคนอาฆาตพยาบาทใจก็จะเป็นนรกขึ้นมา อันนี้พอจะเข้าใจวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆนอ่กับเหตุการณ์กับคนอย่าไปอยากได้อะไรของในโลกนี้ลาบยกสัรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิกนในี่มันเป็นความสุขความได้มาแล้วแทนที่จะสุขมันกลับจะทุกข์มากกว่า พอได้อะไรมาแล้วก็รักก็หวงยึดติดก็อยากให้อยู่ไป น, นานๆอยากให้มี น, นานๆแต่ของทุกอย่างมันไม่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไปสูญเสียไปก็จะเสียออกเสียใจทุกใจเอาสิ่งที่ได้แล้วอยู่กับเราไม่มีวันจากเราไปดีกว่า ก็คือความสงบความสงบนี้ต้องเกิดจากการทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งจากการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเป็นเราจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราทิา้งทุกอย่างได้หมด พระพุทธเจ้าสละราชสมบัติได้เพราะพระพุทธเจ้าได้พบกับความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะท่านเคยบำเพ็ญมาในอดีตชาติสมัยที่ท่านทรงเยาว์วัยทรงประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้คนต้นไม้พวกข้าราชบริพารก็ไปทําภารกิจอะไรกัน ปว่ยให้พระองค์นั่งประทับอยู่ตามลำพังพอกายวิเวกจิตก็วิเวกขึ้นมาจิตก็สงบขึ้นมาทำให้พระองค์ได้สัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งพระองคือไม่รู้สึกเสียดายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสละราชสมบัติเพื่อออกแสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เกิดตาย ท่องสละทุกสิ่งทุกอย่างได้หดพอต้องมีความสงบมีความสุขใจแทนที่จะเสียใจท่านไม่เสียใจเวลาท่านจากราชสมบัติท่านกลับดีใจได้อยู่คนเดียวได้อยู่กับความสงบพออยู่คนเดียวใจมันก็สงบไม่มีเรื่องราววุ่นวายให้มาคอยกังวลถ้าอยู่ในวังก็มีเรื่องราวต่างๆ ต้องลอยหานภารกิจราชการอะไรต่างๆดูแลรักษาราชาสมบัติอะไรต่างๆมากมายวุ่นวายไปความสุขที่ได้จากราชาสมบัติกจเท่านั้นมีแต่ความวิตกกังวลที่จะต้องคอยดูแลรักษาที่จะต้องคอยหามาเพิ่ม พวกเราไม่เห็นความทุกข์จากการมีลาบยดสรเสริญมีความสุขทางกาหูจมกูกวิ่งกายพวกเราก็เลยยึดติดกับสิ่งเหล่านี้กลัวว่าถ้าไม่มีแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไม่มีความสงบมันก็ต้องทุกข์ละเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรมาทดแทนสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เราจรึงทิ้งสิ่งบบต่างๆที่เรามีในตอนนี้ไปไม่ได้ทิ้งราบยศสะเสริญทิ้งรูปทิ้งกินลดใจไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิกันมาทาใจให้สงบกันถ้าใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเราทิ้งทุกสิ่งได้ยอย่างได้เลยเราเอาความสงบดีกว่าเอาเวลามาสร้างความสงบดีกว่า ขอให้ได้สงบเพลงครั้งหนึ่งก่อนให้เห็นหนังตัวอย่างให้ได้ชิมรสของธรรมสักครั้งหนึ่งก่อนว่ารถแห่งทําชนะรถทั้งปวงเรได้สัมผัสกับรถแห่ง ท, ทํามคือความสงบนี้เพียงหยดเดียวแค่แวบเดียวก็เดียวทัวนทีกระสมาที่จดรวมปั๊บแล้วก็ถอดออกมาแต่มันรู้สึกแปลกประหลาดมหศัศาลใจอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะมีสิ่งวิเศษอยู่ในตัวเราถูกหลงให้ไปหาสิ่งต่างๆทั้งนอกตัวเราไปหาก้อนหินที่เขาเรียกว่าเพชรเข็เพชรก้อนหนักแค่ไม่กี่ก ร, รัมนี่ราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเอามาทำอะไรได้จริงๆ ก, กินก็กินไม่ได้ถูกความหลงมันหลอกว่าเป็นของวิเศษ แล้วคนที่ได้มาวิเศษเนี่ยมันก็เป็นก้อนเห็นก้อ น, นเอาไปตั้งอวดโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นให้ขาออิดชว้วฤษยาตาลูกตาวาวขึ้นมากาักสมาธิกับธรรมกายมัน่าเดียวกนะันกนกาไม่หรอครับไ่กันิกก็คือความสงบจิดรวมเข้าสู่ความสงบ จิตจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางราภยศสารเสร็จปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นเนาะปล่อยวางร่างกายจิตแยกออกจากร่างกายชั่วคราวจิตอยู่ก็ตามสภาพของจิตจิตก็เย็นสบายเบาอกเบาใจเหมือนยกภูกเขาออกจากอก ก่อนจะสงบนี่เริ่เสร็จมันตึงเครียดไปหน่อยพอสงบแล้วมันหา้เลยงั้นสิ่งที่พวกเราไม่มีกันก็คือความสงบพวกเราเลยต้องไปหาสิ่งอย่างอื่นมาให้ความสุขกับเราแต่ สิ่งที่เราหามานี่มันก็มีความทุกข์ติดมาด้วยทุกทุกอย่างเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่แน่นอนไม่ไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดก็ต้องหามาวเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์เช่นเงินคนได้เงินมาแล้วเงนินมันจะอยู่เฉยๆกับคุณไปตลอดอคุณได้มาคุ ณ, คณก็อยากจะใช่มั น, น เราใช้ไปเดียวมันก็หมดเลยหมดแล้วที่ทำอะไรเงิงนหมดแต่ความอยากใช้ยังไม่หมดลแล้วถ้าหาไม่ได้ทําไงก็ต้องไปขโมยบ้างไปโกงบ้างไปทําบาปแต่ถ้าทําใจให้สงบแล้วคุณไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไร เ ม, มื่องความงมีใช้กับการท่องเรียนได้ไหมครับยกตักวอย่างเช่นถ้าคู่เราไปทำไมไม่ได้ก็สักคนก็สางกนั่งสมาธิกันไปตันที้มานอนก่อดกันก็ไม่นั่งสมาธิกันแต่ถ้าไฟไปท่างผิดแล้วให้เราสงบอยี่ไฟเดียวได้ไหมคราบถ้าเราสงบแล้วเราไม่หวั่นไหวไอ้ความผิดก็เรื่องของเขาความผิดอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราเรามีอยู่กับทางสงบ เ, ย เ, บเรยจะไปเดอดเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่เราไปเดือดร้อนเพราะเราไม่ยอมสงบเอง เราไปทุกข์กับเขาเองไปยึดไปติดว่าเขาเป็นของเราเขาเป็นของเราเขาไปยุ่งกับคนอื่นนี่ก็ ถ, ถือว่าทำ้ายจิตใจเราแล้วก็เม mm ื hmm. ่อก่อนเขาไม่ได้เป็นของเราเราไปเดือดร้อนไหมเวลาก็ไปยุ่งกับใครเขามาเป็นของเราแปาบนี้ห้ามยุ่งนะทำไมต้องไปห้ามด้วย เขาปล่ยเขาไปตามธรรมชาติเองเขาเจะเลี้ยงหุ่นไทยเขาไปเลี้งเลี้ยงของเขาเราก็ทําเรื่องของเราเราก็นั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธเราไปเดี๋ยวก็เ ข, เขาก็ทิ้งเราไปถ้าเราพุโทโธพุโทโธไม่ไอยู่อของเขาลูกก็เลี้ยงมันไปหมอลูกก็เลี้ยงไปเมื่อมีแล้วก็ต้องเลี้ยงทําไมไม่งั้นก็ย ก, ยกให้คนอื่นไป ใครให้เด็กกำพร้าไปก็ได้ลงเลียงเด็กกำพร้าถ้าอยากจะมาขอลูกไปเลี้ยงก็ให้เข้าไปเขาเวิสันดอนเนนะชาวชูโชคจะขอลูกไปเลี้ยงก็ให้ไปดีท่านจะได้ภาวนาได้สบายทใจให้สงบมาดูพรเวสสัดนดรเป็นตัวอย่างแลศึกษาประวัติพระเวสสัดนดรท่านก็มีภรรยามีลูก ท่านชอบภาวนาชอนั่งสมาธิท่านก็เลยสละทุกอย่างได้เลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใครอยากจะมาได้อยากจะขอก็ให้ไปใครอยากจะได้ลูกเอาไปมีไม่มีใครมาขอเมียถ้าขอเมียเขาท่านก็ให้ไปไ ม, ไม่หงึงไม่หวงเลยท่านมีความสุขกับความสงบ ไม่เชื่อลองทำดูนยคุณอาจจะเป็นพะเวสสันดนขึ้นมาก็ได้ถ้านั่งสมาธิใจสงบนะคุณจะไม่หวงอะไรถ้าอยากจะได้แล้วไปเลยากลกลายเป็นภาละไปกับป่ามีกลับเป็นภาระไม่มีกับสบายคนที่มีความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรมีแล้วต้องคอยดูแลรักษาไม่มีอะไรคนที่มาบวชกันนี้เขาไม่มีอะไรติดตัวมา ตลาดมืลและทุกอย่างสิ่งที่มีอยู่ในฐานะของคาราวาทุกครองเรือนี้ไม่เอามาให้หนักอกหนักใจต้องการความสงบอย่างเดียวต้ อ, อย่างว่าเป็นความเห็นเจ็บตัวได้ไหมครับต้องการความสุขส่วนตอ่าแล้วเวลาคุณนอนกับแฟนไม่ไม่เห็นกับตัวเหรอฮะเวลาคุณไปเที่ยวนี่ไม่เห็นกับตัวเหรอ ก็เห็นแก่ตัวด้วยกันทุกคนแหะทุกคนก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะไม่เห็นเนี่ยมันเสียหายแบงไหนเห็นแก่ตัวแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับกันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะของที่ว่าเขาเห็นแก่ตัวก็คื อ, อ, อเวลาทํางานแล้วปล่อยให้คนอื่นทําตัวเองไม่ทําอย่างนี้อนะันก็เรียก işte ว่าเห็นแก่ตัว เ, วเวลาแบ่งอะไรกันก็เอามากกว่าคนอื่ น, นอันนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ผู้ถ้าทุกคนแบ่งทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกันมันก็ไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมเวลาทุกคนไปเที่ยวก็ไม่เห็นมีใครบน่นว่าเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณไปเที่ยวคนเดียวแล้วคนอื่นทา ง, งานเขาก็บ่นแล้วเนาะคุณเห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวนี่มันอยู่ที่ว่ามันมันใน ล, ลักษณะไหนไเห็นแก่ตัวที่ ที่เป็นธรรมก็มีเห็นแก่ตัวที่ไม่เป็นธรรมก็มีไม่ชอบธรรมก็มีเจ้าเวลาไปไหนพอเจอความยากทุกยากลําบากแล้วก็หายแว บ, บไปเลยหวังให้คนอื่นเขาทุกยากลําบากกันเนี่อันนี้ก็น่าจะเรียกเห็นแก่ตัวพอเวลาถึงเวลากินก็โผล่มาทีาไ่ไหนไม่รู้ พอถึงเวลาล้างถ้วยล้างชามนี่หายไปหมดเนะปล่อยให้คนสองคนล้างกันอันนี้เห็นกันตัวไหมเง้อเห็นกันตัวแต่ถ้ามาช่วยกันล้างนี้ก็ไม่เห็นกันตัวเวลาเกณฑช่วยกันเกณฑก็ไม่เห็นกันตัวถ้ากินด้วยกันทุกคนก็ไม่เห็นกันตัวนั้นการที่จะไปนั่งสมาธิกับการไปนอนกับแฟนนี่มันก็เหมือนกันนม่เนี่ย มันก็ไปหาความสุขเหมือนกันการไปเที่ยวกับการไปวัดนี่มันเห็นแก่ตัวตรงไหน ม, มันก็เหมือนกันเป็นแทนวิธีการหาความสุขต่างกันท่านั้นไปเที่ยวก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปวัดก็ไปหาความสุขทางใจแไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิกันมันก็เป็นการหาความสุขเหมือนกัน ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีการเห็นแก่ตัวหรอกคนไปอยู่ว่านี่เป็นคนที่เสียสละเสียได้ซ้ำไปเพราะไปก็ต้องไปทำบุญไปก็ต้องเอาข้าวของไปถวายพระไปให้วัดกันก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวมีอะไรไหมมาจากที่ไหน เคยมาหรือเปล่าครั้งที่สองครั้งแรกนานแล้วยังอ๋อปที่แล้วอ๋วอติดตามอยู่นะย้อนนี้ก็ ม, ม, มีถ่ายทอดสดแล้วรู้ก็ไม่ต้องมาก็ได้ทางบ้านถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็ลองส่งข้อความเข้าขมาก็ได้น ะ, ะก็เดี๋ยวท่าน ที่ดีไม่มีอะไรจะถามก็จะได้ให้ทางบ้านถามถามคําถามกันคำถามก็คือต้อ ง, ง, ง, ง, ง, งถ้าสมมุติว่าเร า, าอดีมีคนทําติดสีแล้วเราบอกว่าอันเนี้ยมันทำไม่ถูกเพราะติดสีแต่เขาตอบบอกวา่าคนที่มีสีจะไม่ว่าคนอื่นว่าไม่มีสีแต่เจตนาของเราเราไม่ได้บอกยกตนข่มท่านว่าเรามีสีหรือไม่มีสีเพียงแต่เราเห็นว่า เนก็ <ith> ère, ผิดแล้วก็ปล่อยเขาทําไปที่ถ้งเราไม่มีหน้าที่ไปบอกเขาถ้าเรามีหน้าที่ต้องบอกเขาเราก็บอกแถ้าเราไม่มีหน้าที่เราก็อย่าไปบอกเขาพอบอกเขาแล้วก็จะทําให้เขาไม่พอใจเขาก็จะกลับมาว่าเราเราก็เพียงแต่รู้ว่าเขาไม่มีศีลก็ดีเราจะได้ไม่ไปยุ่งกับเข า, าไปยุ่งกับเขา แต่อย่าไปบอกเขานอกจากเขาขอร้องให้เตือนบอกว่าถ้าเราทําอะไรผิดช่วยเตือนเราหน่อยน ะ, ะถ้าอย่างนี้เราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ขอร้องให้เราไปเตือนเขาเราอย่าไปบอกอเพราะว่าแทนที่จะเห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นคุณประโยชน์ของเราเขากลับเห็เขากลับไม่พอใจเพราะาโดยธรรมชาติของคนนี้จะไม่ชอบให้คนชี้ความผิดของตน ชอบชี้ความผิดของคนอื่นแต่ไม่ชอบชี้ความผิดของตัวเองอย่างหนูแทนที่หนูจะไปดูความผิดของคนอื่นหนูดูความผิดของตัวเองดีกว่าหนูตอนนี้หนูทําผิดสินข้าไหนหรือเปล่าดีกว่ามันเป็นการปัดสินว่าสินที่เป็นการขโมยของที่เป็นของเราไปไกลกับโดนชนะที่ถ่าไป ก, ก็ค่ะตอ <c oughs> นแรกก็ว่าจะไม่เอาความก็ปล่อยเขาไป รอบแรกรอบสองเขาก็ยังทำผิดกปแล้วค่ะอืม mm hmm. แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ยมันผิดไหมมานทำผิดที่ค่นะแล้วก็าไม่ยอมรับผิดเขาบอกหัวหน้าก็ค่ะแต่หน้าบอกว่าอืเขาอาจจะไม่ได้เจตนาบอกว่าก็ครั้งแรกก็คิดแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาครั้งทำำี่สองคือทุกคนที่แบบนี้จนเขาเข้าใจว่าก็ทำอยานี้ก็ทุกคนได้ก็ต้องบอกหัวหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินว่า เขาถูกหรือผิดหรือตกเตือนจาวน่ากับเห็นว่าก็ไม่แปลกที่เขาจะติดต้อง อ, อกเป็นกดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นนะจริงๆอ่ะออกกดทุกสิ่งอย่างไม่ไหวหรอกเอาแค่ทุกคนอ่ะควบคุมตัวเองก็พอให้อยู่ในสีในธรรมอะไรที่ผิดสีก็ ร, กรู้กันเองไม่ต้องมาต้องให้หัวหน้ามาเตือนทุกสิอย่างหัวหน้าก็บอกว่าทําไมต้องไปว่าคนอืออ่นโ ย, ยไม่มีเจตนาจะว่าคนอื่นแต่ว่า จะบอกว่าทุกคนภูมิใจตัวเองจะดีกว่ารลายเป็นว่าเรื่องการแจ้งความมันไม่ได้เป็นการไปว่าคนอื่น เ, เมื่อเราในสังคมมีคนที่ทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมก็ต้องไปแจ้งความเช่นขโมยขึ้นบ้านเราก็ไปแจ้งตำรวจเพื่อตำรวจจะได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาคอยจับคนที่มาทำผิดแต่ถ้าเราไปแจ้งความแล้วเขาพูดอย่างนี้ก็ หรือว่ามันก็เรื่องของเขาเขาอาจจะมไม่พอใจกับการที่เรามาแจ้งความต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งความเก็เฉยๆไปโยมก็คิดแบบที่อาจารย์ว่าก็คือเป็นวิบากของโยมเองที่เคยทาอะไรกับเขาไว้อเขาก็เลยมาเอาทรัพย์สินของเราไปะแล้วก็คอยระมัดระวังไว้ก็แล้วกันมีเขางมีท่าก็อย่าเอามาโอบดเอามาโช เอามาวางไว้เพอวางไว้เดี๋ยวก็ถูกเขาหยิบไปได้อย่าประมาทถ้าเราหวงอะไรรักอะไรเราต้องเก็บไว้ให้ดีถ้าออกมาก็ต้องไม่คลาดจากสายตาถ้าคลาดก็คิดว่ายอมเสียก็แล้วกันถ้าไม่ยอมเสียก็อย่าเอามาออกมาเก็บไว้ถ้าเอาอมาก็ต้องยอมรับยอมรับกับความเสีย่ยง เสียก็เสียไปแต่ถ้าทางที่เราอยู่ที่ทำงานเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีนโยบายให้มาบอกความผิดของผู้อื่นแล้วก็ไม่ต้องบอกต่อไปถ้าบอกแล้วกลายเป็นเรื่องกลายเป็นความผิดของเราต่อไปเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาพระอาจารย์คะแล้วก็กางนั่งสมาธิทุกครั้งควรจะต้องเดินจงกรมอหรือเปล่า อาอไม่หรอกการเดินจยคกับการนั่งสมาธินี่ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้นะสำหรับคารวะญาติโยมนี่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันเพราะหมายว่าญาติโยมไม่ได้ทำกันมากทำกันครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็เลิกแล้วแต่สำหรับพระหรือผู้ปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนนี้เขานั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ก็อย่างนั้ พอเขนั่งเมื่อยเขาก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ย น, นระยาบดแต่การเปลี่ย น, นระยะบดก็ยังภาวนาอยู่ยังมีสติควบคุมใจอยู่เจนเวลานั่งพุทโธพุทโธอยู่พอลุกขึ้นมาเดินก็พุทโธพุทโธต่อพราะว่านั่งแล้วมันเจ็บมันเมื่อยร่างกายบอกทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมาเดินยังไม่เลิกภาวนายังภาวนาต่อไม่เหมือนญาติโยมพอนั่งสมาธิเสร็จลุกพอเลิก พอเลิกนั่งก็ไปแล้วไปเปิดทีวีดูไปทําอะไรกันนะแล้วเราทําประจำอย่างนี้ค่ะมันสามารถจะต่อเชื่อมต่อจกกักรได้ไหมคะได้ก็มันก็ทําตำเชื่อมต่อกันต้องการทําแบบมากๆมันก็สลับกันไปนั่งนั่งแล้วก็ลุกกันมาเดินเดินแล้วก็กลับไปนั่งใหม่สลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาเดินก็ประคับประคองใจด้วยสติ เวลานั่งก็ขอบดึงใจด้วยสติให้เข้าสู่ความสงบเอาสงบแล้วก็มีความสุขก็จะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะอยู่อย่างไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ไม่มีเงินทองก็อยู่ได้คนที่ภาวนาเป็นคนที่ทําใจให้สงบเป็นนี้ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะไม่ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องซื้อสิ่งต่างๆมา บำลุงบำเลจิตใจเวลาจิตใจต้องการความสุขก็นั่งสมาธิไปคนที่เขาพบสมาธิแล้วเขาก็จะไม่อยากจะหาความสุขในรูปแบบอื่นเขาอยากจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิก็จะนั่งนั่งจนเมื่อยทนไม่ไหวออกมาก็เดินเดินจนเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ ทำมันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนหาความสุขกับจากการนั่งการเดินคนเดียวนี่แหละคนอื่นคนที่ก็ไม่รู้ก็คิดว่าบ้าเดินคนนี้ไม่ได้ทําอะไรมีแต่เดินกับนั่งแต่ใจเขาสงบใจเขามีความสุขฉะนั้นส่วนใหญ่สําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี่จะไม่ได้เดินจงกรมกั น, กนเพราะว่านั่งมันจะได้ผลดีกว่าเดิน แล้วเมื่อร่างกายมันไม่เมื่อยจากการนั่งมันก็นั่งได้แต่ถ้านั่งถ้าอยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี่มันนั่งไปอย่างเดียวไม่ได้นั่งไปนานๆเข้ามันก็เมื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบทยืดเส้นยืดสายเป็นการรักษาร่างกายไม่ให้พิกลพิการถ้านั่งไปนานๆเดี๋ยวก็กลายเป็นง่อยได้ถ้าไม่ลุกมาเดินอะไรเลย ก็ต้องมีการสลับเปลี่ยนอิรียบทเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างร่างกายนี้มันมีสีเอิรียบทเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ในทั้งสีเอิรียบทเวลายืนเราก็จะพุทโธได้เวลานั่งเราก็พุทโธได้เวลานอนเราก็พุทโธได้เวลาเดินเราก็พุทโธได้ ขอให้เรามีพุโทโธพุธโทโธไวเพราะพุโทโธนี้จะควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้หิวไม่ให้อยากยาทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งใจเย็นใจสบายมันม่นนันเจริญพุโทโธอยู่ในทั้งเอเรียบ ท, ทั้งสพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยไม่ว่ากำลังจะไปทำอะไรก็อยู่กับพุโทโธไป ล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแปลงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวกับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปคิดอะไรมันจะหายเป็นระยะระยะไปนะคะหายก็ไม่เป็นไรหายก็ดึงกลับมาใหม่ใหม่ๆก็อย่างนี้มันล้มลุกคุกคานไปก่อนนะเดินได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็วกล้มลงไปเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่สติใหม่ใหม่มันจะล้มลุกคุกคาน มาปั๊บเดี๋ยวก็หายไปก็พยายามดึงมันกลับมาคอยสังเกตว่าตอนนี้เราพุโทโธอยู่หรือเปล่าแต่มันก็ต้องมีเวลาหยุดพุดโทโธบ้างเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทํางานถ้ามีภารกิจการงานหรือมีความคิดที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดได้แต่คิดด้วยเหตุด้วยผลพอคิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดอะไรก็กลับมาพุโทโธต่ออย่าคิดเพอ้อเจอ้ออย่าคิดเพอ้อฝัน อยากคิดอยากได้นู่นได้นี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากได้ลาบยศรสนเสริญอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดแล้วก็จะทำให้ใจฟุง้งซ่านใจเครียดสูอย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเวลาไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งขัดสมาธิหลับตาพุทโธพุทโธจิตก็จะรวมได้จิตจะรวมได้เฉพาะในท่านั่งท่านั่งนี่มันเป็นท่าที่ใจ ปล่อยวางนั่งกายได้ใจก็จะรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นลสแห่งธรรมชนะลสทั้งปวงแต่ก่อนที่จะได้มันก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ควบคุมใจเวลามานั่งเดี๋ยวใจก็ไปนู่นมานี่ก็ไม่สงบถ้าไม่สงบนั่งเดี๋ยวไม่นานก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเรียบรต้องลุกขึ้นมาเดินฉะน้นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายสงบเร็วและสงบนานมันงเขีดีกว่าไหมครับมันดีตรงไหน่ะนสบายไม่ปวดนั่นแหะสิมันก็สบายทางร่างกายแต่มันมันจะสู้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ ตอมันจะนั่งไม่ได้นานนั่งเก้าอี้เดียวมันก็เดี๋ยวร่างกายมันก็จะเอ็นไปเอ็นมาได้เดี๋ยวมันก็จะขยับแต่ถ้านั่งแบบคัสมะนี่มันจะขยับไม่ได้มันถูกล็อกไวให้อยู่เฉยๆให้นิ่งแต่นั่งในท่าไหนก็นั่งได้แต่ถ้าอยากจะนั่งนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่นั่งในข้าคัศมานีมัน เป็นท่าที่สบายที่สุดถ้านั่งเก้าอี้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะขยับอยไ่ดี<ม>แต่ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะสงบไม่นานเหมือนกับนั่งในท่าขัดสมาธิมสมัยก่อนเขาไม่มีเก้าอี้นั่งเลยเขาถึงต้องนั่งขัดสมาธิเวลาไป ภาวนาในป่าก็เอาเก้าอี้ไปไม่ได้วเวลาจะภาวนาเนี่ยต้องไปอยู่ที่มันเงียบๆไปอยู่ในป่าในเขาจะแบกเก้าอี้ไปด้วยมันก็ไม่ไหวเห็นพระทุดลงแบกเก้าอี้ไปถ่ะทวดดวงก็แบกแต่ของจําเป็นไปเอากดการการการแดดการฝนแล้วก็เอามุ้งไปสำหรับเพราะอยู่ในปา่ายุงมันเนยอะก็กางกดแล้วก็อามุ้งครอบ แล้วก็นั่งสมาธิในกฎในมุ้งนั้นเอาธุตดงกนี่ต้องเอาของเฉพาะจำเป็นจริงจิตไปก็มีบริขารอัฐบริขาร เ, าเครื่องใช้ไม้สอย8ดชิ้นผ้าไตาจีวรผ้าสามผืนบานหนึ่งใบใบมีโกนเข็มกระดาษที่กองน้ำแล้วก็เข็มขัดรัดเอวอันนี้เป็นสมบัติที่พระธุตดงเอาติดตัวไป เล้ก็กรดเปรีร่มแล้วก็มุ่งอันนี้ก็อยู่ได้แล้วไปที่ไหนก็ไปได้บาทก็มีไว้หาอาหารตอนเช้าบินทบาทพระตูดงนี่จะไม่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเพราะต้องบินทบาทอยู่ห่างประมาณสักกิโลสองกิโลเพื่อให้มันห่างไกลจากเสียงของทางหมู่บ้านแต่ไม่ไกลจนเกินไป ก็จะได้เดินบินทบาตตอนเช้าได้ยกเว้นบางช่วงอยากจะไปอยู่ไกลๆไม่อยากจะยุ่งกับใครก็อดอาหารไปดไปสามสี่วันสี่ห้าวันแล้วค่อยกลับมาบินทบาตก็มีทวดองชอบอดอาหารเพราะอดอาหารแล้วมันทำให้ขยันปฏิบัติขยันภาวนา เพราะถ้าไม่ภาวนามันจะทรมานมันจะหิวถ้าภาวนาแล้วจิตสงบแล้วมันจะอิ่มมันจะไม่หิวดูพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ตั้ง49วันทำไมท่านอดได้เพราะใจท่านไม่หิวใจท่านเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาหิวก็เข้าสมาธิมันก็หายหิวแต่สมาธิไม่สามารถทําลายความอยากได้ความอยากกินก็ยังมีอยู่ วิธีที่จะทำลายความอยากกินก็ต้องใช้ปัญญาต้องมองอาหารที่เรากินว่าเวลามันออกมามันเป็นยังไงเห็นเวลามันออกมาแล้วมันจะไม่อยากกินเรากาลังกินอาหารที่ออกมาที่เราไม่อยากกินถ้าไม่อยากกินอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่มันออกมาจากในท้องเราเ น, นึกถึงภาพของมันแล้วก็มันก็จะไม่อยากกิน ต่อไปมันก็จะกินด้วยความไม่อยากกินด้วยความจําเป็นกินเหมือนกินยากินตามเวลาได้ไม่กินตามความอยากแต่ตอนนี้พวกเราการกินมีตามความอยากกันอยากกินปั๊บต้องหามากินเลยถึงเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่สนใจล่ะถ้าอยากแล้วก็ต้องกินแต่ถ้าเรานึกถึงภาพของอาหารที่เราจะกินเวลามันออกมามันเป็นยังไงเราก็จะไม่อยากกิน ถ้าเราต้องการที่จะดัดความอยากกินอาหารก็ต้องนึกถึงทุกครั้งเวลาอยากกินอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารในจานใอ้ทิ่ถึงอาหารในสุวมบ้างกามันเห็นอาหารในสุวมแล้วมันก็จะได้ไม่อยากกินแล้วต่อไปเรื่องอยากกินอาหารนี้จะไม่มีจะกินก็เฉพาะเวลาถึงเวลากินเพื่อร่างกายจริงๆไม่ได้กินเพื่อความอยากแล้วกินอะไรก็ได้ ถ้ากินเพื่อร่างกายนี้มีอะไรก็กินเวลามันหิวเนี่ยมันอะไรก็กินได้หมดข้าวข้าวคุกข้าวคุกน้ําปลายัางอร่อยเลยไม่เชื่อลองอดข้าวดูสักวันนึงพอถึงเวลากนนินอะไรก็กินได้หมดพระพุทธเจ้ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่องของปัญญารู้แต่เรื่องของสมาธิไปใช้สมาธิกดความความอยากไว้ แต่พออยากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็เลยต้องใช้วิธีคิดดูว่าความอยากมันเกิดจากอะไรความอยากก็เกิดจากการไปมองเห็นของที่เราอยากกินนั่นสิมันก็เลยอยากขึ้นใช่ไหมถ้าเราไปมองของที่เราไม่อยากกินมันก็จะไม่อยากกินก็ง่ายๆแค่นั้นเองถ้าเราไม่อยากกินก็ไปพยายามมองถึงของที่เราไม่อยากกินอยู่ ของที่เราไม่อยากกินความอยากกินมันก็หายไปแต่เราชอบไปมองของที่เราอยากกินกันมันก็อยากกินกันทั้งวันใช่สื่อต่างๆมันก็เอาแต่ของที่อยากอยากกินให้เราดูกันดูทีวีก็มีขนมไอ้นู่นอาหารชนิดนี้ร้อนๆโอชาโอชะขึ้นมาเห็นแล้วมันก็อยากกินขึ้นมาละก็ไม่เอาอาหารอาหารตอนของที่เราไม่อยากกินมาโชว์บ้างเลย อันนี่อาหารชนิดนี้เวลาฉันกินเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกมันส่งเสริมความอยากกันกระตุ้นความอยากกันเพราะว่าเขาต้องการเงินของเราพอเขากระตุ้นความอยากของเราได้เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อของเขามันก็เลยกระตุ้นกันช่วยกันมันก็เลยทำให้เราต้องมาอยากกันอยู่ตลอดเวลา เราอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมอยากกินแป๊บเดียวก็อีกสักพักก็อยากกินใหม่ <S <S อยากกินมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้ยังไม่หายอยากถ้าอยากจะหายอยากก็เนี่ยใช้วิธีที่พระเจ้าสอนดูของที่เราไม่อยากกินดูนึกถึงมันเพ่งมันดูเหมือนกับเราดูของที่เราอยากกินแล้วต่อไปเราจะไม่หิวไม่เราจะไม่อยากกิน แต่กินเพราะร่างกายมันหิวจริงๆมันต้องการอาหารจริงๆแต่ไม่ได้กินด้วยความอยากเนี่ยวิธีแก้ความอยากของะเจ้าก็คือต้องมองส่วนที่ทำให้เราไม่อยากได้ถ้าเราไปมองส่วนที่อยากได้มันก็อยากได้ถ้าเราไปดูเสื้อผ้าที่เขาขายตามร้านนี่มันก็อยากได้ขึ้นมาถ้าเราไปดูเสื้อผ้าที่มันขาดแล้วเป็นผ้าที่ริ้วแล้วเราก็จะไม่อยากได้ เราก็ต้องมอว่าเสื้อผ้าที่สวยขนาดไหนเดี๋ยวซื้อมาแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็กลายเป็นผ้าขี้ริ้วไปเราต้องดูตอนจบมันเราชอบไปดูตอนตอนต้นกันไม่ไปดูตอนจบกันแล้วเราดูตอนจบแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะของนี่เราได้มานี่ตอนจบเราก็ต้องเสียไปใช่ไได้ระไรมาก็ต้องเสียไปหมดได้แฟนมาก็ต้องเสียไปได้สมบัติมาก็ต้องเสียไปได้ยศมาก็ต้องเสียไป ให้เราหัดดูตอนจบกันนี่คือปัญญาที่พระเจ้าส่งคนพบเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้ต้องมองมองตอนจบตอนที่มันทุกข์กันตอนที่ร้องห่มร้องไห้กันเวลาเห็นแฟนอยากได้แฟนนี้จะมองแต่ว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะขึ้นสวนรรค์ด้วยกันไม่มองแต่ตอนที่ตีกันบ้างตอนที่ทะเลาะกันบ้างเใช่ไหอ ไปมองในตอนที่มันมันไม่น่าดูบ้างสิมันจะได้ทำให้เราไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีลูกอมองลูกแล้วเป็นคิดถึงเวลาต้องเลี้ยงลูกภาระมันแค่ไหนหนักนาสาหัสอย่างไรแล้วเวลาเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเรารู้สึกอย่างไรเวลาเขาไม่ดีขึ้นมาเป็นอย่างไร เลี้ยงมาเพื่อให้เขาได้ดีแต่เขาไม่เขาไม่รักดียาวยัยงไงเขาไม่รักเรดเขารักเที่ยวเดี๋ยวก็ไปติดชุกติดตารางไอ้คิดถึงภาพที่ไม่ดีบ้างมันจะทําให้เราจะได้ไม่อยากบางคนอยากมีลูกแล้วเกินโอ้ยพยายามแทบเป็นแทบตายเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปจ้างหมอไปจ้างหมอให้ผสมเทียมไปจ้างคนนั้นมาอุ้มท้องให้ตนให้ลูกของตน ไปหาความทุกข์แท้ๆเสียเงินไปหาความทุกข์ทำไมได้ ล, ลูกมาแล้วเดี๋ยวเกิดลูกมันโตนขึ้นมามันดา่าเราจะทําไงมันตีเราเราจะทํำยังไงไม่มองไอ้ภาพที่ทําให้เราไม่อยากกันมันชอบไปมองไอ้ภาพที่ทําให้เราอยากกันมันก็เลยอยากกันอย่างนั้นนะพระเจอาสอนให้เรามองความทุกข์จากจากสิ่งที่เราอยากได้กันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะต้องให้ความทุกข์กับเรา เรามองไม่เห็นกันในหลงหลายครั้งใครอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ลูกเสียงกยลิ่นรดกันแล้วพอได้มาแล้วก็มาทุกข์กับมันใช่ไหมราวุ่นวายไปกับมันต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหามาเติมเพราะว่ามันเอามาแล้วก็ต้องใช้ไปใช้ไปมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็ทุกข์แล้วไม่พอใช้ก็ทุกข์แล้ว ปัญญาต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันมาได้มันไปได้มันเจริญได้มันเสื่อมได้มันมีได้มันหมดได้เวลาหมดแล้วเป็นยังไงจะทำไงเวลามันไม่มีขึ้นมาตอนนี้ไม่มีไม่เดือดร้อนแต่เวลามีแล้วหมดนี่มันเดือดร้อนไหมตอนนี้ไม่มีแฟนไม่เดือดร้อน แต่เวลามีแฟนแล้วแฟนทิ้งเราเดือดร้อนนะมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมที่ทรงที่ไม่มีอยู่ดีแต่เดือดร้อนกับตอนต้นตอนนี้ไม่มีไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ตอนที่ไม่มีเพราะแฟนทิ้งนี่มันเดือดร้อนกว่าเนี่ยเราวิ่งไปหาความทุกข์กันมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้กันท่านถึงสอนให้เราพยายามมองเรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่แน่นอนแล้วมันไม่ใช่เป็นของเรา วันใดวันหนึ่งมันต้องจากเราไปได้เสมอวันใดวันหนึ่งมันจะไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราสั่งให้มันทำอย่างนี้มันไม่ทำขึ้นมาจะทำยังไงเดี๋ยวลูกของเราล้วคิดเราสั่งมันได้ตอนเด็กๆโอ้ยมันว่านอนสอนง่ายใช่หให้มันทำอะไรมันทำหมดเลยให้กลกบก็กากบให้ทำนู่นทำนี่พอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันเริ่มดื้อเลยเริ่มต่อต้าน แล้วก็ทุกกับมันีแ่แปลวาการไม่มีลูกถูกต้องกว่าการมีลูกป่ะอ่าก็ถ้าคนคิดดูแต่จะสอนคุณอยู่ตอนนี้คุงินคุณไปสรุปเอาเองเสร็แล้วเราก็ถ้าคุณยังคิดว่ามีลูกถูกต้องกว่าก็คุณก็มีไปคุณมีลูกคุณก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกถ้าคุณไม่มีลูกคุณก็ไม่ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกอเอาเงินไปเที่ยวไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ดี ก็ไม่เถียงด้วยเหตุด้วยผลยนี่เถียงด้วยเหตุด้วยผลยนี่มันมีกับไม่มีอันไหนมันดีกว่ากันไม่รู้ป้ามันออกมานี่ตอนคืนมันจะขี่มันจะขี้ยาเยี่ยวมันก็ร้องขึ้นมาคุณจะเคยนอนหลับสบายสบายก็น้องตื่นขึ้ น, นมาจัดการกับมันนะถึงเวลาอยากขิวนางกว่าร้องวเวลาปวดฉี่ก็ร้อง ต้องหาอาหารมาหาเสื้อผ้าหาให้มันมาจนกระทั่งก่อนมันจะโตขึ้นมาเป็นตัวของมันเองได้บางทีโตแล้วยังขี้เกียจไม่ทางานมาขอเงินใช้ต่อก็มีก็ต้องเลี้ยงมันไปจนมันตายแล้วได้ความสุขอะไรจากลูกอะบางใจเข้ามาเลี้ยงเราเลย ถ้าเกิดเขาไม่เลี้ยงเราจะทำไ ง, อองเออไม่คิดเหมือนพระเจ้าอัตาฮิตันโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตอนจะไปหวังพึ่งใครทำไมเราพึ่งตัวเราเองได้ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายออใช่ไหมก็จบก็ต้องตายอยู่ดี การตานใครก็พึ่งไม่ได้อาจารย์คะการพิจารณาสุภาษณ์เนี่ยจำเป็นต้องต้องพิจารณาหลังจากออกจากสมาธินคะคะเพรว่าพิลารัยไม่ดีอยู่สีไม่สวยเนีอยู่ไม่ได้อยู่เรื่อยเปเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาที่เราหยุดการทํางานเราไม่พิจารณาใชไหันนั้นเป็นเวลาพักผ่อนของจิตใจเป็นเวลาสร้างกําลังให้กับจิตใจ เพาะจิตใจถ้าพิจารณาคิดบ่อยๆมันก็เหนื่อยมันก็จะไม่มีกําลังมันก็ต้องไปพักในสมาธิเวลานั่งสมาธินี่ต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเติมแบตเตอรี่เหมือนเราชาร์จแบตมือถือนี่เราต้องเวลาชาร์จแบตนี่เราจะไม่ค่อยใช้มันจะปิดเครื่องชาร์จมันดีกว่าจะได้ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นแต่เวลาออกมาจากสมาธิแล้วพิจารณาได้ตลอดเลย เห็นใครก็มองเข้าไปตับตายไส้พุงเขาเลยมองเข้าเป็นซากศพไปเลยโดยเฉพาะคนที่เรารักเราฝืนเราหวงเลยมองให้เห็นซากศพของเขามองให้เห็นตับตายไส้พุงของเขามองให้เห็นโครงกระดูกของเขามีอยู่ในตัวนี้มีอยู่ครบหมดเลยเนี่ยโครงกระดูกตับตายไส้พุงปอดหัวใจตับปอดมองไม่เห็นกัน เห็นแต่หน้าตาอย่างเดียวก็เลยลหลยงไหลคลั่งทายไปถ้าเห็นตับตายแท้พวงมันก็จะได้ทายความลหลงไหลออกไปต่อไปก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้พอมีเขาก็ไม่อยากจะอยู่ถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเป็นโครงกระดูกก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ ด, ดูดูจมกลามันจะตัดการอารมณ์ไปได้ ถ้ายังมีการมารมณก็ต้องดูดูเป็นจังการการมารมมันจะหมดไปถ้าไม่มีการมารมแล้วมันอยู่คนเดียวมันไม่เหงาหรอกที่มันเหงาเพราะมันเกิดมีการมารมณขึ้นมามันก็เลยรู้สึกเหงาแต่ถ้าเรามีอสุภะนี่มันจะดับการมารมณเพราไม่มีการมารมแล้วจิตจะสงบมันจะไม่รู้สึกเหงาว้าเวจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายนักบวชมาบวชนี่พระเจ้าสอนให้พิจารณาสุภะก่อนเลย คอยมาบวชเป็นพระนี่สอนให้พิจารณาอาการสามสิสองก่อนนะให้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเพาะ่ะจะได้ดับการมาลมางคะ่ะคือบางทีเวลาเวลาเราจงใจหรือตั้งใจปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าเราตั้งใจเพราะเราอยากได้ผลมันก็เป็นความยาก ทีนี้โยมเคยฟังตาบอกว่าถ้าเราทํำแต่ว่าทําตามประเพณีมันก็ได้ผลแบนบนรูๆกๆจะคลำโยมก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเราปฏิบัติเราควรจะวางใจยังไงใช่ไหมคะเวลาปฏิบัติก็ให้อยู่กับงานที่เราทํำสิอย่าไปอยู่กับผลว่าผลยังไม่เกิดให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่คมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเราก็เลยทำใช่วเวลาทํางานอย่าไปคิดถึงเงินเดือน พเงินเดือนยังไม่ถึงเวลาออกคิดไปมันก็ไม่มาอยู่ดีถ้าไม่ทำก็เงินเดือนก็จะไม่ได้อยู่ดียันให้ดูที่งานที่เราต้องทำแล้วทําหน้าที่ของเราไปกับงานนั้นแล้วเดี๋ยวพอสิ้นเดือนเงินเดือนมันก็ออกมาเองแต่ถ้าเราไม่ทำงานพอสิ้นเดือนเงินเดือนก็ไม่ออกเพราะคนจ่ายเงินเดือนก็บอกคุณไม่ทางานแล้วคุณจะมาเงินเดือนได้ยังไงันเวลาภาวนาก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันสงบ ก็อยากไงมันก็ไม่สงบมันไม่ได้สงบด้วยความอยากมันสงบด้วยพุทโธงั้ น, น, น, นเราก็ต้องอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้าจะอยากก็ให้อยากอยู่กับพุทโธอย่าไปอยากอยู่กับความสงบอยากให้เราท่องพุทโธไปเรื่อยอย่างงี้ดีขอให้เราท่องพุทโธไปเรื่อยเตือนเตือนใจเราให้พุทโธพุทโธไปเรื่อยเตือนใจให้เรามีสติอยู่เรื่อยอย่าปล่อยให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านอันเนี้ยอยากแบบนี้ได้ แต่อย่าไปอยากให้สงบเช่นเคยนั่งสงบเมื่อวานนี้แล้ววันนี้อยากจะให้มันสงบเหมือนเมื่อวานก็นั่งเมื่อไหร่จะสงบสักทีแต่ไม่พูดโทเลยก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้มันสงบเหมือนเมื่อวานก็ต้องพูดโทใหม่พุทโทพูทธโทพุทธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองพระอาจากยบทกั้นผมนั่งเสร็จแล้วจะายใปหรือยังครับทุกคําอะไรหายนะไม่พุทธโทนะก็สติหมนเหมือนกัรนั่งหลับ นั่ง <Jub> ร <ilee> <sh art native> <describes> ับ <rene> ก <sp> <dengan stra> ็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นต้องฝึกสติก่อนที่เรามาพุทโธพุทโธตอนพุทโธต้องคิดไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วเวลาเราทําอะไรก็ทําไปแล้วก็พุทโธไปกับงานที่เราทําล้างหน้าแปรงฟันอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปแทนที่จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าไปคิดแต่เรื่องจําเป็นที่จะต้องคิดก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด ตอนนตอมันน้อยกำลังมันเบามันมันน้อยไปหมดแรงต้องเพื่อให้มันมีกำลังมากๆต้องอัดเ้าัดท่องพุทโธไปทั้งวันเลยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอาพุทโธพุทโธไปได้ตลอดเวลา<ม>ถ้าเรามีพุทโธอย่างนี้เวลานั่งมันก็จะไม่หาย<ม><ม>แล้วเนี่ยหมดเวลาชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวจะให้พร ใครอยากจะอยู่ต่อก็ได้นะเดี๋ยวชั่วโมงสองนี้ก็จะให้ทางบ้านเข้าได้ถามปัญหาบ้างอาจารย์ครับทุกท่านิงที่ฮะอะไรหยิบได้หยิบได้หยิบได้แจกเงินของนี่วางไว้นี่หยิบได้หมดีแต่ว่ายาวไปแจกคนอื่นนะเพราะมันจะไม่พอถ้เอาเอาไปสําหรับตัวเรานี่เอาไปได้ มีอะไรจะถามไหมผมจะมีปัญหาต่างกับพี่เขาครับพี่เขาเข้าราวัางเลยใช่ไหมครับแต่ Hong k ก็คือไม่สงบจะจะอยู่กับพุโทโธจะรู้เหมือนจะรู้ ต, ตัวตลอดนะครับอแต่ยังไม่สงบก็จะใช่ครับก็ต้องพุโทโธไปเรื่อย อ, อย่าไปคิดอะไรเวลาพุโทโธก็อย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวครับ อย่างนปกติจะนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับอืแล้วก็จะพยายามอยู่พุทโธฟังนิดๆ จ, จะดึงกลับดึงกลับอก็จะประมาณอย่างนี้ครับ<อ>แต่ว่าจะไม่ไม่เคยแบบรวมแบบนเงนียบหลับไปเลยก็อแสดงว่ามีมีสติมากพอที่ทําให้ไม่หลับแต่ยังไม่พอที่จะทำให้มันสงบเพราใจยังไปคิดอยู่ยังต้องดึงกลับมาอยู่เนื่เลยมันต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเลยแล้วมันจะสงบ บากค้บางทีถ้าเกิดเรานั่งไปแล้วมันมันกลายเป็นว่าเรารู้จังหวะของหัวใจเราอย่าไม่สนใจนะเออโยมขอบุทโยเอเหมือนมันเข้าไปรูไม่เป็นไรเราจะรับรู้ได้เพราะว่าจิตสงบมันจิตเข้าข้างในมันก็จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นได้แต่ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญแต่บางครั้งมัจะรู้แต่ไม่อยากยิเสย อยากจะรู้แต่ไม่อยากอะไรไม่อยากไม่อยากกำหนดพุทโธอะไรอย่างนี้ค่ออก็ไม่อยากกาหนดพุทโธก็ดูลมหายใจแทนได้ไหมมันแต่ว่าไม่อยากอยากจะดูเฉยๆทำไมนะมันต้องดูอะไรสักอย่างต้องดูลมหายใจเลยอย่าไปดูอย่างอื่นเพราะดูอย่างอื่นมันจะไม่สงบต้องดูอย่างเดียวดูลมหายใจหรือพุทโธอย่างนี้เราจะดูโครงกระดูกก็ได้ให้เพ่งดูโครงกระดูกก็ได้ ถ้ามันมีอะไรเกาะไว้ไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องอื่นเดี๋ยวมันเรื่องอื่นมันก็พาไปใจมันก็จะไม่นิ่งแต่ต้องการให้ใจนิ่งใจจะนิ่งต้องรู้อยู่เรื่องเดียวอยู่กับลมอยู่กับพุทธโธอยู่กับคงกระดูอยู่กับอาการสาสองอาการได้อาการหนึ่งก็ได้ ก็คือเจอวันนัครับมีเรื่องเรองโอเพเจเตอร์ค่ะว่จะมีบริกาคโรงเรียนที่มันกันดารทน่ไม่ออกพอดีวันน้โชคดีเปิดดูที่อาจารย์โรงเรียนย้อนพอดีเลยก็เลยมีที่ไปนีสาธุสาโรงเรียนก็ของสำเนียงภาษาละั้งขึ้นมาธรรมะจะสันเปิดพอดียจะให้เพื่อนดูว่าอาจารย์มีกิจกรรมอะไรนกิจกรรมเรย มาจากที่ไหนเกษมเทพเป็นติดตามอยู่นยะ <c oughs> สมัครเป็นเพื่อนหรือป่า <c oughs> ยังไม่ได้สมัคร <c oughs> ยัมันตอนนี้มันเต็มและห้าพันสมัครไม่ได้ต้องรอให้มันคนออกไปก่อนถึงจะเข้ามาได้ทำไหอยังติดตามได้อยู่ไม่ต้องเป็นเพื่อนก็ได้ อะไรหยิบได้ทุกอย่างดีๆเนี่ยมีมมหลายแผ่นด้วยกันต้องการแผ่นไหนให้หยิบอานีวันก่อนแตเจ่ซออกขึ้นซ่อมซ่อมอะไรตมหัลยทำไมเนี่ยมันอกับตัวเองิคิดอยดีอ๋อ่ซ่อมกับกล้วยนี่แหละ เราชอบไปเปลี่ยนกล้วยให้เป็นส้มนะใช่าวายก็ <c oughs> เ, เป็นกล้วยไปนะคนเราไปเปลี่ยนก็ไม่ได้หรอกค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะจากคุณประพาพันธ์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องนั่งเก้าอี้ขยับอยู่เรื่อยและไม่สงบเลยค่ะก็อย่าไปกังวลกับเรื่องร่างกายมากจนเกินไป พยายามให้มีสติมีพุโทโธอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ถ้าไปกังวลกับเรื่องร่างกายมันก็จะไม่ได้พุโทโธพอมไม่ได้พุโทโธมันก็จะไม่สงบต่อไปเป็นคําถามจากคุณชวนคุณตาเฮิร์บนะคะทําบุญวิธีไหนถึงจะถึงผู้ร่วงรับได้ดีที่สุดคะก็วิธีทําถวายสังฆทานถวายข้าวของให้กับทางถวายเสร็จแล้วก็อุทิศให้เขาได้ ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเลยคำถารประคุณมุกดามุกดาค่ะอยากถามพระอาจารย์กรณีหนูขายของหนูจะหักรายส่วนรายได้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำบุญบุญตรงนี้ลูกค้าจะได้รับกับหนูไหมคะไม่ได้หรอกเพราะ็นเป็นเงินของเราเป็นรายได้ของเราถ้าลูกค้าก็อยากจะได้บุญเขาก็ต้องฝากเงินมาทำบุญกับเรา ท่านท่านท่านเขารู้ว่าเราทําบุญเป็นประจําแล้วเขาไม่มีเวลาไปวัดไปทําบุญเขาขอฝากเงินนี่มาทําบุญด้วยอย่างนี้เขาก็จะได้คําถามจากคุณกระต่ายน้อยค่ะขออนุ ญ, ญาตถามค่ะเวลานั่งสมาธิประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเราจะได้กลิ่นหอมดอกไม้หอมๆ ม, มากๆหอมเย็นกลิ่นนี้เออขอโทษค่ะหอมเย็นกลิ่นนี้เกิดจากอะไรคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือวิธีปฏิบัติกับมันวิธีปฏิบัติกับมันก็ให้มองว่ามันเป็นตายรักว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันมามันไปได้้เราอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปอยากให้มันมาหรืออยาาไปอยากให้มันไปมันจะมาก็ให้มันมามันจะไปก็ให้มันไปให้รู้เฉย คำถามจากคุณสมศักดิ์ค่ะเวลานั่งสมาธิรับรู้ถึงความปวดเวทนาถึงตอนนี้เป็นวิปัสนาหรือยังครับออการรับรู้นี่ยังไม่เป็นการจะเป็นก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ทรมานกับมันเราก็ต้องปล่อยวางมันปล่อยให้มันเจ็บไป ถ้ามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ามันหายก็ปล่อยมันหายไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราก็ต้องอยากให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปวิธีที่จะอยู่ความเจ็บได้ก็ต้องทำใจให้เฉยๆก็ใช้พุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่เฉยก็ต้องใช้พุทโธถ้ามันเฉยก็ไม่ต้องใช้พุทโธ ถ้ามันอยู่กับความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนก็แสดงว่ามันปล่อยวางแล้วถ้ามันยังอยากจะให้หายมันรู้สึกอึดอัดเครียดกับความเจ็บก็เราต้องใช้พุโทโธแล้วมันจ ะ, ะมันจะระบายคลายความเครียดได้พอใจก็จะได้หยุดอยากถ้าเรามีพุโทโธความอยากมันก็จะหยุดต่ <Yeah. S 1> อ, อไปคำถามจากคุณอ้อค่ะตอนนี้เริ่มหัดนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิชอบคันตามร่างกาย จึงกำหนดรู้ว่าคันหนอแต่ใจมันต่อต้านทําให้คันมากขึ้นอย่างนี้ต้องทําอย่างไรคะอย่าไปสนใจกับความคันให้อยู่กับพุทโธไปถ้าเราใช้พุทโธกับพุทโธพุทโธไปถ้าไปอยู่กับความคันมันก็ยิ่งคันใหญ่เพราะมันอยากจะให้หายคันมันก็เลยรู้สึกคันมากขึ้นถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปคําถามกับคุณบัญชาค่ะ มีคนบอกผมว่าสิกขาบทข้อลักทรัพย์ของพระไม่สามารถลงอาบัตได้ครับต่อให้บวชใหม่ก็ไม่ได้ครับจริงเท็จประการใดครับถ้ามันเป็นตรงอยู่ในข้อประราชิกที่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าทำแล้วถือว่าขาดจากการเป็นพระไม่สามารถที่จะเป็นอยู่เป็นพระหรือกลับมาบวชเป็นพระได้ต่อไปก็มีข้อลักทรัพย์นี้หนึ่งมาสก หนึ่งมาส่งนี้ท่านก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่บาททุกวันนี้ต้องไปถามผู้ชำนาญทางพระวินัยดูถ้ามีเจตนาจงใจรักทรัพในจำนวนนั้นมากกว่าจำนวนนั้นก็ถือว่าประหลาดชิกได้ถ้าประาชิกแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระคำถามจากคุณวิชัยค่ะเมื่อเราเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเราก็รู้นะว่าเราโกรธ แต่เราก็ระงับได้เพียงบางส่วนไม่ทั้งหมดนี่ถือว่าเราปฏิบัติมาถูกทางไหมครับเราใช้สติหยุดมันแต่มันจะไม่หายอย่างถาวนถ้าอยากจะให้หายมันถาวนต้องไปถอนที่เหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละพอเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธงั้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็อย่าไปมเราก็อย่าไปอยาก ถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาแต่พอเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาไม่ทำเราก็จะโกรธเขาเะฉะนั mm ้น hmm. อยากไปอยากกับอะไรความโกรธนี่มันเกิดจากความอยากพอไม่ได้เลยดังใจก็โกรธคำถามจากคุณวันลักกุณาค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไปควรพิจารณาอย่างไรต่อไปคะลมหายใจก็ให้รู้ว่ามันหายไปให้มีสติรู้อยู่เฉยๆไป ไม่ต้องทําอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปคําถามจาก ค, คุณคนใจร้ายค่ะสังขารเป็นตัวปรุงแต่งหรือใจเราครับก็ความคิดปรุงแต่งนี้เป็นใจเป็นผู้ปรุงแต่งเราเรียกว่าสังขารสังขา น, นี่มันเป็นอาการหนึ่งของใจที่คิดปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆในใจนี่มีอาการอยู่สีอาการด้วยกัน สังขารนี่คือความคิดปรุงแต่งสัญญาคือการจำได้หมายรู้วิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกนิ้นกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เป็นอาการของใจมีชื่อต่างๆกัน ่วนใหญ่จะรายงานว่ดชัดเจนค่ะพระอาจารย์อยู่เยอะระมันอะไรก็มีช่วยเบาด้วยอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะต่างประเทศจะได้รู้ว่าไปไกลถึงไหนมีเยอะระมันเลยค่ ะ, ะคำถามจากคุณสุมาวาดีค่ะการสวดบทโพชฌงค์รักษาผู้ป่วยเมื่อพิจารณาองค์ธรรมทั้งเจ็ดแล้วดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์เทศสอนในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำเพื่อให้จิตเกิดความสงบ เป็นอุเบกขาใช่หรือไม่คะอันนี้ต้องพูดที่เป็นคนเจ็บทำเองคนที่ไปสวนให้เขานี่มันไม่ได้ทำให้เขาสงบได้เขาต้องรู้จากวิธีทำใจให้สงบสติผู้ชังโคให้ให้มีสติพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะสงบ mm hmm. แล้วอาการทรมานจากความเจ็บปวดของร่างกายก็จะหายไป แต่ความเจ็บปวดของร่างกายมันจะหายไม่หายมันอยู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามันเกิดจากเป็นผลที่เกิดจากความฟุ้งซ่านของใจความเครียดของใจถ้าเกิดใจหายเครียดความเจ็บของทางร่างกายก็หายไปด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นจากความเครียดของใจมันไม่หายแต่อย่างน้อยมันจะใจจะไม่ทรมานกับความเจ็บของร่างกาย คำถามจากคุณทเดชในเรื่องของการไปกราบครูบาอาจารย์ตามที่ต่างๆที่ท่านพำนักอยู่อาจจะเพื่อได้กราบไหว้ได้ถวายปัจจัยกับการปฏิบัติตามคำสอนของท่านอยู่ที่บ้านเพื่อบูเพื่อบูชาคุณของท่านอย่างไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันครับการปฏิบัติมันก็มีอนิสงส์มากกว่าแต่การจะปฏิบัติให้ถูกต้องก็ต้องไปกราบไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านก่อน แต่สมัยนี้เรามีคำสอนของท่านมาถึงที่บ้านเราก็ไม่ต้องไปหาท่านก็ได้แต่เราต้องมีคำสอนที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องถึงจะได้ผลถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเราจะไม่ได้ผลสมัยก่อนนี้ไม่มีสื่ออย่างสมัยนี้เมื่อสมัยที่เราบวชแรกๆนั้นไม่ค่อยมีสื่ออย่างนี้มีแค่หนังสือก็บางคนก็มีหนังสือบางคนก็ไม่มี คนที่ไม่มีเขาก็ต้องไปกราบครูบาอาจารย์ในช่วงเทศกาลเช่นงานกระถินงานภาพป่าอะไรอย่างนี้พอได้ไปทาบุญแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านหรืออาจจะได้รับหนังสือที่ท่านมีอยู่แจกแล้วเขาก็จะได้นำเอาไปศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้มีสื่อเข้าถึงบ้านเลย ธรรมะเข้าถึงบ้านโดยที่เราไม่ต้องไปไหนก็ได้อย่างตอนนี้ไปได้ทั่วโลกก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดต่างๆที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติได้ถ้าสงสัยในข้อไหนหรือยังไม่ได้ยินในส่วนไหนถ้าอยากจะรู้ก็ส่งคำถามเข้ามาถามได้ต้องก็มีการศึกษาก่อนถ้ามีการศึกษาแล้วก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูก แล้วพอเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกเราเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลดังนั้นบุญอันแรกต้องมีก่อนก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราได้บุญจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็นำออกไปปฏิบัติเราก็จะได้บุญที่ดีกว่าบุญที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย คำถามจากคุณนิทาค่ะการทำงานทำการต่างๆ ต, ต้องเริ่มจากสิ่งที่รักที่ชอบทำได้ดีหรือไม่เจ้าคะัะหรือว่าทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วมองหาข้อดีของการงานนั้นคำถามนี้รู้สึกเมื่านหี้ถามมาแล้วหนึ่งนะเลยแต่ก็ขอโพษมาใหม่เลยการทำงานก็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรจากการทำงานเราต้องรู้ว่า ผลที่เราทํานี้คืออะไรถ้าเป็นผลที่เราอยากได้เราก็จะมีความยินดีมีความเพียรที่จะทำแต่ถ้าเป็นผลที่เราไม่อยากได้เราก็จะไม่อยากทำเรานราต้องดูก่อนว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการมากผลนิพพาน่า น, นี้เราก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุข เราก็จะไม่ยินดีที่จะเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมเราก็จะยินดีกับการไปหาเงินหาทองอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผลที่เราต้องการคืออะไรแล้วเวลาทมเราก็ต้องแยกแยะว่าการทานี้ก็มีการทาที่ถูกและการทาที่ไม่ถูกคือคำว่าถูกก็คือถูกศีลธรรธมถูกกฎหมายกับไม่ถูกศีลธรรธมไม่ถูกกฎหมาย เราก็ต้องเลือกเอาทางทำที่ถูกเพราะว่ามันไม่มีโทษตามมาถ้าเราไปทำในทางที่ผิดมันจะมีโทษตามมาผิดกฎหมายก็จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางได้ผิดศีลผิดธรรมก็จะไปตกนรกได้ยันวิธีการหาอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆก็ต้องรู้จักวิธีที่ถูกและ ว, วิธีที่ไม่ถูกด้วยเราต้องรู้ว่าผลที่เราต้องการคืออะไรคาถามจากคุณปาริชาค่ะ สังเกตตัวเองว่าเมื่อมุ่ง ม, มั่นทำงานในทางโลกหนักเพราะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทางโลกอยู่อินทรีย์พละที่จะปฏิบัติก้าวหน้าทางธรรมก็จะอ่อนลงจะทำอย่างไรเพื่อให้รักษาอินทรีย์พละให้มั่นคงเพื่อการปฏิบัติได้ก้าวหน้าทางธรรมได้ด้วยค่ะก็ต้องลดปริมาณการทำงานทางโลกให้น้อยลงไปาจริงงานทางโลกนี้เราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้ว ไม่ได้ทำเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้มีมีตำแหน่งสูงสูงให้มีเงินใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้ถ้าเราทำเพื่อสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำงานทางธรรมถ้าเราทำเพียงเรี่ยงปากเรี่ยงท้องเราก็จะมีเวลามากที่จะได้เอามาใช้ในการปฏิบัติมาทำงานทางธรรมกัน ถ้าเราทํางานเพียงอาทิตย์ละสองวันก็พอละถ้าเราทํางานเพื่อหาข้าวกินเงี้ยค่าข้าวเดือนหนึ่งมันสักกี่ตังกันขายประกันสักสองสามเจ้าก็พอละไม่ต้องไปเหนื่อยทำมันทุกวันหามหามลูกหามค่ําที่ทํากันอย่างนั้นเพราะอยากไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาอยากจะซื้อรถเบนสขี่กันอันนี้ต่างหากที่มันทําให้เราเสียเวลาไปกับงานทางโลก ถ้าเราทำงานทางโลกเพื่อมาดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายเหล่านี้เราไม่ต้องทำมากแล้วเราจะมีเวลาว่างไปวัดได้ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมได้คำถามจากคุณพรสวรรค์ค่ะขอถามเรื่องการทำสมาธิบางทีสอนให้ยุคหนอพองหนอกับเดินแบบสติปัฏฐานแต่ที่ผ่านมาเคยฝึกแบบพุทโธ ท, ทั้งเดินและนั่งค่ะตอนนี้เลยสับสนว่าจะฝึกแบบไหนดีคะค วิธีวิธีไหนที่มันเราได้ผลดีเราก็เอาวิธีนั้นะถ้าเราพุโทโธอย่างเดียวเราได้ผลดีเราก็ใช้พุโทโธไปแต่เรายุบหนอพองหนอเดินหนอะก้าวเนอะย่างหนอแล้วได้ผลดีก็เอาอย่างนั้นไปได้ทั้งนั้นมันมีสี่สิบวิธีด้วยกันการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบคําถามจะกคุณสุดาพ่อแม่อยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกพูดเพราะแต่พ่อแม่ไม่เคยทําเองเลยพูดจามไม่เพราะ ด่าลูก ừ, พอเราไปเตือนอเด็กก็โดนกระทํารุนแรงอีกจะทําอย่างไรดีคะเป็นห่วงเด็กก็ถือว่าเป็นกรรมของเด็กก็แล้วกันเราไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องไป็นราวกับเขาเอีกคําถามจากคุณนิธถาค่ะถ้าอยู่ไปเรื่อยๆใครทําอะไรก็ทําไปไม่โกรธไม่เครืองอยู่กับสิ่งที่มีให้มีความสุข อะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงคะยังจะต้องพยายามหาสิ่งใหม่หรือไม่คะถามอีกทีนะยังเหมือ น, นเป็นคำถามต่อเนื่องจากถามาถามใหม่ถามห่แล้วถ้าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆใครทำอะไรก็ทําไปไม่โกรธไม่เคืองอยู่กับสิ่งที่มีให้มีความสุขอะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงคะยังจะต้องพยายามหาสิ่งใหม่หรือไม่คะ ไม่เข้าใจคาถามนะคุณจะปเป็นคำถามจากคุณอนุอนุนะคะเป็นเป็นบทสวดที่เขาโพสต์มาเฉยๆค่ะคำถามจากคุณเป็นเป็นเกตอย่างเวลามีอารมณ์เกิดแต่ตัวผมแค่ดูมันเฉยๆแบบนี้ถูกไหมครับคือปล่อยให้มันเกิดอยู่ของมันอย่างนั้น แบบนี้ผักใส่มันหรือไปเป็นมันหรือเปล่าครับคือถ้าดูเฉยๆแล้วไม่ไปทําตามอารมณ์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นถ้ามันมีอารมณ์อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้เพียงแต่ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันดับไปหายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่หายมันยังพยายามที่จะดึงบังคับให้เราไปทําตามที่มันอยากได้มันก็เป็นปัญหาเพรั้นเราต้อง สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ให้ได้ไม่อยู่ภายใตออ้อิทธิพลของอารมณ์หรือถ้าเราไม่สามารถอยู่เหนืออิทธิพลของมันได้เราก็หาอุบายดับมันไปก่อนคืออย่าไปคิดถึงมันเราไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปสนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นคำถามจากคุณวินัยค่ะ เวลาภาวนาเคยอ่านประวัติครูอาจารย์หรือคําบอกเล่าของหลายๆท่านว่าเวลาภาวนาถ้ากุมจิตไม่ได้จิตจวิปลาสตัวจิตวิตปลาสคืออะไรมีวิธีป้องกันหรือแก้อย่างไรครับก็วิปลาสมันก็มีหลายหลายลักษณะหลายรูปแบบคือมันเพี้ยน่ะพูดง่ายๆ ย, ยังหลงอยู่ยัง อาจจะหลงคิดว่าเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นพระเจ้านู่นพระเจ้านี่กลับมาเกิดแล้วไปหลงเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของตอนเองแล้วเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊อย่างนี้ก็เรียกว่าเพีย้ยนแต่ถ้าภาวนาแล้วมีปัญญาคือพระเจ้าสอนว่าให้ใช้ใจรักเสมอว่าเวลาที่เราสัมผัสรับรู้กับเรื่องอะไรก็ตางให้รู้ว่ามันไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่ได้เป็นของจริงของจังอะไรที่เราจะต้องไปหลงไหลข้างใครกับมันแล้วเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เพี้ยนไม่เสียสติดูแลเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นตาลรักก็จะไปหลงเชื่อไปยึดไปติดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาพวกพวกที่เข้าเจ้าเข้าทรงเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเป็นเท้ามหาพรหมลงมา มาอยู่ในจิตดวงวิญญาณจิตของเขาแล้วสามารถทำนายทายทักอน า, อนาคตอะไรต่างๆให้กับคนนั้นคนนี้ได้อันนี้ก็เพี้ยนนะแต่เพี้ยนที่สังคมก็ยังยอมรับอยู่เพราะสังคมชอบไปพึ่งคนเพี้ยนแบบนี้กันคนจริงไม่ค่อยชอบไปพึ่งเพราะพุทธเจ้าไม่ค่อยชอบเข้าหากันเพราะพระพุทธเจ้าทำนายพยากรณ์ของที่เขาไม่ชอบฟังกันนะพอไปหาพระพุทธเจ้านี้ พระจ้าชอบทนานายหนูต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนูก็เลยไม่อยากจะไปหาแต่ถ้าไปหาเท้ามาหาผมนี่ก็จะทำนายว่าต่อไปหนูจะร่ำจะรวยจะได้เป็นเป็นคนหญิงเป็นคุณ น, ณนายเขาก็อยากจะไปหาพวกเพี้ยนกันของจริงไม่ชอบชอบของหลอกกันคำถามจากคุณชยาดาค่ะหนูพยายามนั่งสมาธิฝึกจิต แต่ตอนนี้คุณแม่เสียไปสองปีแล้วเวลาคิดถึงท่านจะร้องไห้หนักมากรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหนูควรทํายังไงคะก็ต้องระ ง, งับความคิดนั้นเวลาพอจะคิดก็ให้พุโทโธพุโทโธไปเป็นความคิดที่ยังเป็นกิเลสอยู่ถึงแม้ว่าจะคิดถึงคุณแม่แต่คิดด้วยตัณหาความอยากพอมีความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอยากจะกลับมาอยู่กับคุณแม่อยากจะให้คุณแม่อยู่กับเราต่อไป พอท่านไม่อยู่ก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องหยุดความคิดนี้เป็นความคิดที่ทําให้เราปวดร้าวจิตใจไม่เป็นคุณประโยชน์ใช้พุโทโธพุโทโธไปหรือใช้ปัญญาว่ามันเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับคืนมาได้คิดไปให้เสียเวลาเปล่าๆตอนนี้ท่านก็ไปสบายแล้วท่านก็ไปเกิดใหม่ท่านก็ไปตามบุญตามบาปของท่านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามบุญตามบาปของเรา ไม่ช้ากันเร็วเราก็ต้องแยกกันอยู่ดีนั้นอยากไปอยากให้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากเราจะเกิดความทรมานใจคําถามจากาพระภิกษุฉายาผมเคยนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆลมหายใจค่อยๆหายไปและเริ่มจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจที่มีอยู่แล้วสักพักมันก็ถอนออกมาเองแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิใช่ไหมครับ ถ้ามันเป็นสมาธ่มันต้องวูกลงไปแล้วก็สงบนิ่งจะนิ่งนานหรือนิ่งไม่นานถ้านิ่งเดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณนิกะถ้านิ่งนานก็เรียกว่าอัปปนาให้มีสติ ด, ดูไปเรื่อยๆประครับประคองจิตให้ให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้ารู้ลมถ้าลมยังมีก็ดูลมไปถ้าลมไม่มีก็ดูความว่างไปแล้วเดียวมันก็จะรวมเข้าไปเอง คำถามจากคุณบัญชามีคนบอกว่าถ้าหมดอายุพระพุทธศาสนา 2,500 ปีแล้วพระทธาตต่งางๆจะรวมตัวกันเป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จมาสั่งสอนให้หลุดคนอีกครั้งจริงเหตุการณ์ใดครับ <c oughs> ไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้มาจากพระาธาตุที่มารวมกันพระาธาตุก็เป็นเพียงาธาตุดินเพียงแต่เป็นาธาตุของพระอรหันของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมันไม่มีควา ม, มวิเศษวิโสในการที่จะมาทําให้ คนนั้นคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาใหม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็ต้องเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องบําเพ็ญเพียรต้องแสวงต้องภาวนาต้องปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่นี่ยังอีกไกลคือหลังจากที่ศาสนาพุ่นหมดอายุขยไปแล้วคือห้าพันปีครบไปแล้วนี่ยังเป็นเวลาเป็นกับอยูนะ่กว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสลู้ เพราะการจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งมันยากมากคนที่จะมีความสามารถที่จะเห็นอริ ย, ส, รยสัจสี่เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ยากมากเพราะเหมือนกับเอาคนตาบอดไปงมเข็มในน้าในมาหาสมุทรนคนตาดียังงมยากแ ล, แล้วคิดถึงเอาคนตาบอดอาคนตาบอดไปงมมันก็ยิ่งยากอ่อออีการที่จะหา เจอพระอริยาาสัจสี่แต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายๆถ้าไม่ฉลาดจริงๆไม่มีวันรู้ได้ทั้งๆที่มันเป็นของที่มีอยู่ใกล้อยู่ในตัวของตัวเราเองเนี่ยอยู่กับตัวเราเหมือนกับเรามองไม่เห็นตัวเราเนี่ยเพราะเราไม่มีกระจกถ้าเราไม่มีกระจกนี่เราไม่รู้หน้าตาเราเป็นยังไงใช่ไหมไม่มีวันจะรู้หรอกในการที่จะหากระจกมามองเห็นตัวนี้มันยากพะพุทเจ้าท่านฉลาท่านสามารถหากระจกคือวิปัสสนาญาณ พอท่านได้วิปัสสนาญาณท่านก็สามารถมองเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากขึ้นมาอคำอนนถามมาตอไปคำถามจากคุณพระจัชชันโยมยอมแต่แต่กับคนที่บ้านทำอย่างไรจะยอมกับคนอื่นได้เหมือนคนที่บ้านอมองคนอื่นเหมือนคนที่บ้านเลยมันยากเย็นก็มีอาการสามจิตสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีอะไรเหมือนกันทุกอย่างต่างกันตรงที่ชื่อเท่านั้นเองมีคนช่วยรายงานว่ามีคนดูสดประมาณสามร้อยกว่าแล้วก็มีคนถูกใจเพจอาจารย์เพิ่มขึ้นหลายพัน <c oughs> เปิดชมซ้ำประมาณส0มพันกว่าคำถามจากสรรมเนน ย, ยุทธผมอยากถามว่าผมปฏิบัติตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนนั่งนอนพูดกิริยาท่าทางอย่างนี้ผิดไหมครับประเด็นแบบผู้อื่นนี่ไ ม, ไม่ไม่ถูกล้ คือเราต้องเป็นตัวของเราเองแต่เราใช้การเดินการกระทำของเราตามแบบที่ผู้เจ้าสอนให้ทำก็คือให้ทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ไม่ต้องไปเรียนกิริยาอาการของครูบาอาจารย์ท่านเดินแบบไหนท่านเอียงคอไปทางไหนก็เอียงอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาหรอกการที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาใหเราเรียนตรงนั้น ถ้าจะเรียนเรียนแบบครูบาอาจารย์ให้เรียนแบบสติของท่านเรียนแบบปัญญาของท่านอย่าไปเรียนแบบที่กิริยาการทางร่างกายจับอังสิกบอกว่าภาพเสียงชัดเจนค่ะคําถามจากคุณวูดดี้การดูโครงกระดูกดูยังไงครับอ้าวเรามีโครงกระดูกหรือเปล่าเรามีกระโหลกศีรษะหรือเปล่าเรามีโครงมีแขนมีซี่โครงมีกระดูกขากระดูกอะไรหรือเปล่าถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไปเปิดหนังสือ ดูก็ได้เข้าไปใน Google ก็ได้เขียนว่าโครงกระดูกมันก็โผล่มาแล้วแล้วก็พยายามนึกภาพนั้นอยู่เรื่อยๆหรือเราจะจะจับต้องก็ได้เนี่ย ข, ข้อกระโหลกศีรษะดูเนี่ยเนี่ยมันก็มีกระโหลกเนี่ยตัว น, นี้ก็มีกระดูกมีโคงซี่โครอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวเราเคือการมองของที่มันไม่น่าดูมันจะทําให้เราหายหลงหายหายลงหลายข้างใครกับคนนั่นคนนี้ เราเห็นแต่เพียงผิวหนังที่ครอบกระโครงกระดูกเราเลยมองไม่เห็นโครงกระดูกมองไม่เห็นกระโหลกศีรษะถ้าเกิดหนังที่ครอบนี่มันใสนี่เราจะหลงหลายข้างใครเขารู้เปล่าถ้าเห็นเป็นเหมือนถุงพลาสติกคุมคุมศีรษะเราเนี่ยเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะอยู่ใ ต, ใต้ใต้ผิวหน้าเราเนี่ยจะมีการหลงรักกันหรือเปล่านี่คือวิธีของพระพุทธเจ้า วิธีแก้ความหลงไหลข้างใครในรูปร่างหน้าตาของคนที่มีหนังหุ้มหออยู่เราต้องใช้ตาของตาของปัญญาที่เหมือนกับตาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นี่สามารถมองทะลุเข้าไปเวลาหมอกระดูกเขาอยากจะดูว่ากระดูกส่วนไหนหักหรือไม่หักเขาก็บอกต้องเอ็กซเรย์ดูเราก็ใช้ตาปัญญาก็เหมือนเอ็กซเรย์ก็คือเราไปดูภาพของโครงกระดูก สมัยก่อนเข้าไปดูของจริงดูของคนตายกันสมัมนี่เราไม่ต้องก็ได้เรามีสื่อเราก็เข้าไปใน Google แลเราเขียนว่าโครงกระดูกมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเห็นแล้วเราก็พยายามจำมันไว้ดูมันบ่อยๆจำมันบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาเราดูหน้าตาเราในกระจกแล้วเราก็จะได้เห็นกระหลกศรีรษะที่อยู่ภายใต้ใต้ใต้ผิวหนังของเราเห็นโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเรา แล้วต่อไปเรามองเห็นใครเราก็จะมองเห็นโครงกระดูกเนี่ยไปไหนมีโครงกระดูกเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครมองเห็นกันมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างทุกคนมีโครงกระดูกกันทั้งนั้นแต่ไม่มองกันในเหมือนกับไม่มีกันคำถามจากคุณกรวิทการที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุด ต, ต้องบวชเป็นพระหรือเปล่าครับคือผมอยากบวชณนะตอนนี้รักษาสีลภาวนาทุกเช้าเย็น แต่แต่ประเด็นคือเหมือนผมจะไม่สามารถอยู่ในโรคนี้แบบค า, ารวะคือทําให้เสียบริสุทธิ์ได้ยากและภาวนาไม่เต็มที่ยังต้องหาเงินกระทบทรรษาอยู่เรื่อยๆก็การด่วนนี่มันจะทําให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนขับรถเดินทางระหว่างขึ้นทางด่วนกับอยู่ใต้ทางด่วนอันไหนจะไปได้เร็วกว่ากันถ้าเรากลับอยู่ใต้ทางด่วนนี่มันก็ติดสี่แยกไฟแดง ติดรถเกิดอุบัติเหตุติดอะไรต่างๆรถจอดรถกับเลี้ยวกับรถอะไรมันก็ทําให้การเดินทางเราขุกขักไปได้ล่าช้าแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้มันก็จะไปได้เร็วนะการการบวชนี่ก็เป็นเหมือนกับขับรถขึ้นทางด่วนนะส่วนการยังเป็นคาราวาอยู่มันก็เหมือนกับขับรถอยู่ใต้ทางด่วนนะมันยังต้องติดไฟแดงต้องติดรถกับรถเลี้ยวรถเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย มันก็จะทำให้การเดินทางของเราไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะว่าถ้าเราเป็นคาราวาแล้วก็มีภารกิจการงานต้องทำมีคนนั้นคนนี้ต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยอะไรต่างๆนะนะเวลาที่เราจะมานั่งปฏิบัตินี้แทบจะไม่มีเล ย, ยงนั้นคนที่อยากจะหลุดพ้นก็ต้องไปบวชเพราะจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่คำถามจากคุณอาร์ต ถ้ามีหนี้และมีภาระต้องดูแลเราจะมาบวชได้ไหมครับก็ต้องปลดเปลื้องภาระปลดเปลื้องหนี้นั่นไปก่อนคำถามจากคุณทิมม UM ี่อยากสอบถามการทำอารมณ์คิดพิจารณาอย่างไรว่าจ้างช่างทำไฟฟ้าแต่โกหกตลอดเวลาไม่ทำงานตามที่พูดเบิกเงินค่าจ้างไปแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อของพยายามคิดว่าคือกรรมเก่าแต่มันโมโหและมีโทรศัทุกครั้งที่หลอกเรา ผิดคําพูดกับเราคือเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์มันอยู่ที่ความโง่ของเราเองที่ไปเชื่อเขาเองต่างหากถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาโกงเราเราหลังก็เราก็อย่าไปใช้บริการของเขานั้นก็ถือว่าเป็นการาผิดพลาดของเราที่เราไปเลือกคนไม่ดีมาทํางานกับเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วต่อไปเราจะได้ระมัดระวัง เวลาเราจะจ่ายเงินจ่ายอะไรเราก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ให้เงินเข้าไปก่อนก็ต้องก็ต้องดูหลายอย่างดูดูประวัติของเขาคนเรานี่สามารถดูดูได้ว่าดีไม่ดีส่วนหนึ่งก็ดูที่ประวัติของเขาถ้าประวัติเขาดีนี่โอกาสที่เขาจะเสียนี่ก็มีน้อยถ้าประวัติเขาไม่ดีนี่โอกาสที่เขาจะเสียก็มีมาก ็นบางทีเวลาเราจะหาใครมาทำงานเรามักจะต้องสอบถามคนที่เขารู้จักก่อนว่าคนนี้เป็นอย่างไรไว้ใจได้หรือไม่ถ้าไม่ถ้าไว้ใจไม่ได้เราก็ต้องเสี่ยงแล้วเหมือนกับแทงออตเตอรี่อาจจะถูกอาจจะผิดแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เขาเราก็ต้องยอมเสี่ยงเอาคำถามจากคุณอนัตตานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพระเจา d a r k Reading yamma p รดา Help in my mediation I realized that everything I meditate, my mind goes into peace, and it started to think about things, about life, about Anicca, Tuca, k and Anatta. Is this okay? Yes, yes, it's good. Keep on doing it. คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมภาวนาด้วยการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอริยบทท ณขณะปัจจุบันนี้สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตอารมณ์ที่มากระทบทางผัสสะสติจะ ด, ดีตัวกลับเองอัตโนมัติมาในวงกายมีความรู้สึกว่าจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยควรภาวนาไปในแนวทางไหนต่อครับก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสว่าเป็นตายละเพื่อเราจะได้ปล่อยวางได้อย่างถาวรจากฟินแลนด์บอกว่ามีสะดุดบ้างคะ่ะ คำถามจากคุณเซนถ้าพระที่ตราชิกแล้วถ้าสึกออกมาถ้าปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุ ธ, ธรรมถึงขั้นไหนบ้างครับก็อยู่ที่ธรรมที่เขาปฏิบัติเขาปฏิบัติได้ถึงขั้นไหนเขาก็ได้ถึงขั้นนั้นแต่ยากเพราะว่าถ้าถ้าอยู่เป็นพรายังทําไม่ได้ออกมาเป็นคารวาะนี่มันโอกาสที่จะไปทําผิดมันมีมากขึ้นเพราะไม่มีศีลคอยครอคอยควบคุมคอยรักษา อันโอกาสที่จะคนที่ปาลาชิกแล้วนี่ยากต่อการที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้คาถามจากคุณวัดป่าเนินกลางสมาธิกับปัญญาต่างกันอย่างไรที่เราพ้นทุกข์พ้นด้วยสมาธิหรือปัญญาสมาธิคือการทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาส่วนปัญญาเป็นการสอนใจให้เห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากต่างๆ เราจะหยุดความอยากได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่กำลังของอุเบกขาถ้าเรามีกำลังอุเบกขาเต็มร้อยเราก็จะหยุดได้เต็มร้อยถ้ามีอุเบกขาไม่เต็มร้อยมันก็จะหยุดไม่ได้เต็มร้อยนั้นต้องมีทั้งสองอย่างสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกันสมาธินี้ดับละตันหามดับความทุกข์ไม่ได้เพราะไม่รู้อะไรสมาธิเป็นเพียงแต่อุเบกขาเฉยๆส่วนปัญญาจะรู้ว่า การทำตามปัญหาความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ก็จะไม่ทำแต่จะไม่ทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีอุเบกขาหรือไม่ถ้ามีอุเบกขาก็จะไม่ทาได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ยังอดไม่ได้อย่างคนที่ไม่มีสมาธินี่ติดเหล้านี้รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะเลิกมีปัญญาทุกทุกคนรู้ว่าดื่มสุราไม่ดีดื่มแล้จะ ไม่มีสติมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นคนที่สังคมรังเกียจแต่ก็หยุดไม่ได้เศษสุดาเศษชวราเพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังหยุดอุเบกขาก็คือกําลังหยุดถ้าจิตมีอุเบกขานี่จิตจะอยุดเฉยๆได้เฝืนความอยากได้สู้กับความอยากได้แตถ้าไม่มีปัญญาบอกให้ฝืนก็จะไม่ฝืน ต้องมีปัญญาบอกว่าอย่าไปทําตามความอยากทำแล้วจะไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขคําถามจากคุณพัชราในการปฏิบัติภาวนาเมื่อเราออกจากภาวนาแล้วเราควรอุทิศส่วนกุศลทันทีหรือรออุทิศตอนเย็นทีเดียวในกรณีที่เราปฏิบัติทั้งวัน อ, อ๋อภาวนานี้ไม่ต้องอุทิศให้ใครเลยมันอุทิศไม่ได้อยู่แล้วการภาวนานี่เป็นสมเป็นของของเราเพียงคนเดียวสมาธิอุทิศให้เขาไม่ได้ปัญญาอุทิศให้เขาไม่ได้ ไม่ต้องอุทิศการภาวนานี้เพื่อประโยชน์ของเราเพียงส่วนเดียวฝ่ายเดียวคำถามจากคุณสมปองมีพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แผนไหนที่เกี่ยวกับการพิจารณาอาการสามสิบสองอย่างละเอียดก็มีอยู่ในเทศนาบางเทศนานะมันเล่าแต่โอกาสคำถามจากคุณอ๋อดิฉันมักจะซื้ออาหารให้คุณแม่ใส่บาตร หลายๆครั้งคุณแม่มักพูดว่าอาทิตย์ที่แล้วใส่แล้วไงพอแล้วแต่คุณแม่ก็ไปใส่ด้วยทุกครั้งอย่างนี้คุณแม่จะได้บุญไหมคะถ้าคุณแม่ใส่แล้วเป็นของของคุณแม่คุณแม่ก็จะได้มันต้องเป็นของของเขาแล้วมีความพอใจความยินดีที่จะใส่เขาก็จะได้บุญคำถามจากคุณนิกกี้ขณะกาลังดูลมหายใจแต่มีเวทนามารบกวนเราต้องกาหนดดูลมหายใจต่อไปหรือกาหนดดูเวทนาครับ ถ้าเราอยู่กับลมหายใจต่อไปไม่ได้เราก็อยู่กับพุโทโธดีกว่ากลับมาบริกรรมคำบริกรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปถ้าเราไปดูทุกขเวทนาแล้วทําใจให้เราเฉยๆได้เราก็ดูตัวเวทนาก็ได้ดูเฉยๆดูแล้วอย่าให้เกิดความอยากให้มันหายดูแบบว่าสักแต่ว่าดูไปสักแต่ว่ารู้ไป แต่ถ้าดูแล้วเกิดความอยากให้มันหายก็อย่าไปดูมันดีกว่าอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับลมต่อไปถ้าอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ให้เรามีอะไรทำเพื่อเราจะได้ลืมเรื่องของทุกขเวทนาพอเราลืมแล้วเราก็จะไม่ไปคิดไม่ไม่มีความอยากให้มันหายแล้วเราก็จะอยู่กับมันต่อไปได้คาถามจากคุณวิริน ถือสิทถือสินแปดอยู่แต่มีวันหนึ่งรู้สึกท้อจึงเปิดเพลงกำลังใจฟังเพื่อให้กำลังใจตัวเองผิดสินไหมคะถ้าถือสินแปดมันก็ผิดจากคาถามจากคุณพงสาถ้าผมได้โอกาสบวชในมหานิกายแล้วอยากไปอยู่ปฏิบัติธรรมบนเขากับพระอาจารย์ได้ไหมครับมันจะยากอะ่ะเพราะว่าเหมือนฐานเรือกับฐานบกมาอยู่ด้วยกัน <laughs> คำถามจากคุณส่วนคนธาเมืองนิพพานมีเป็นเมืองหรือไม่คะไม่หรอกคือจิตของเรานี่แหละสภาพจิตของเราถ้ามีความสุขมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆพอมีความสุขเต็มร้อยก็เป็นนิพพานไปคำถามหมดแล้วคะออ่ะดีพอดีเวลาก็หมดพอดี <Okay. S 2> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน